จิตเป็นตัวยืนรงในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นหลักความจริงร้อยเปอร์เซ็โดยอาศัยเชเื้อเพื่อเพราะให้เกิดที่นั่นเพราะให้เกิดที่นี่ตามหลักธรรมนันอวิชชาปฏิยาสัางขาราอยู่ตรงนั้นหละแตกแขง น, นองออกไปจากนั้น เรียงลําดับลำดาไปผู้ที่จะปฏิบัติเรียงลําดับลำดาไปดังท่านนั้นเหลวทั้งแผ่เหมือนตัดต้นไม้จะโคนต้นไม้นั้นให้ตายเอาจะไปจะตัดใบนั่นตัดใบนี้กิ่งนั่นก้านนี่สิบปีก็ไม่ล้มไม้ต้นนั้นโค่นก็ไปรากปล่อยรากแกวขมันถอนทื้นขึ้นมาตรงนั้นมันตายไปหมด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 ทรงค้นอยู่ถึงหกปีโดยไม่มีใครสั่งสอนเลยความลำบากลำบนจึงมีมากสำหรับพระองค์เองพวกเราทั้งหลายมีครูมีอาจารย์มีต ำ, หตำาหน่งตำราแนะนำสั่งสอนไว้แล้วเพียงจะพยายามปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ถูกต้องนิ ง, งามอันเป็น การถอดถอนกิเลสไปได้วยข้อปฏิบัตินั้นก็ยังทำไม่ได้จะเรียกว่าเราเหลวไหลขนาดไหนหลักใหญ่อยู่กับความมุ่งมั่นเป็นสาคัญแห่งการปฏิบัติแต่ความมุ่งมั่นมีมากความรุตสับพยายามก็มาตามกันจากนั้นครูอาจารย์ก็เป็นผู้สนับสนุน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 นี่เป็นความสะดวกมากถ้าเทียบพระพุทธเจ้ากับพวกเราแล้วทั้งพุทธการท่านบรรลุธรรมจานวนมากมายท่านก่อกาวไวนะ้ในบุคคลสี่ประเภทนั่นเป็นประเภทอุคติตันตูวิปจิตันยูวยที่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วนี่รองลำดับกันลงมา จากนั้นมาก็เป็นเนยะพอลากพอจูงกันไปได้หลายคลั้งลายหนก็ผ่านไปได้ส่วนปรททะประมนั้นรู้สึกจะมารวมอยู่ในสมัยปัจจุบันมีสมาักแล้วอยู่แล้วพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมนึกถึจ ะ, สะแสลงหัวแสลงใจเป็นลักษณะ ผู้ฟังทั้งหลายนั่นมักจะเป็นเรื่องหมั่นใจอันเป็นเรื่องวิรลยลลวนล้วนขึ้นมาเยอะเย้ยธรรมของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นของศักษิ์สเพราะตัวต่ำช้าเร็วซามถึงขนาดโดยธรรมาได้แล้วก็เรียกว่าเร็วที่สุดละมนมุษย์เรา เพราะธรรมะนี้ทำให้เป็นทาคนให้เป็นคนดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศมาแต่การไหนไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสื่อมเสียเนชิบหายายปวงไปแม้แต่น้อยเลยนอกจากเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้เป็นคนดีโดยลำดับ ไม่ว่าเพศใดวัยใดเท่านั้นจึ่งไม่หาทางต้องติดไม่ได้บรรดาธรรมทั้งหลายคำที่ว่าศาสนาเสื่อมก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์เสื่อมทามลงไปจากอัต จ, จักธรรมไม่เคารพยำเกรงไม่เชื่อถือในความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ประจำโลกกาะถานี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์ พรหมโลกนิพพานเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับจัต์กับบุคคลกับโลกกระฐานนี้แต่เมื่ออวัยวะที่สำคัญซึ่งจะรับทราบสับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันหนวกมันบอดไปเสียแปรทิศแปร ด, ด้านแล้วจึงกลายเป็นปัททะปรมมหา ความรู้หาความจริงไม่เจอสําหรับใจดวงนั้นท่านจึงเรียกว่าปะทะประมะคือมืดแปดทิศแปดด่านทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอยาบทที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยความมืดบอดเพราะอํานาจของกิเลสตัญหาสภาวะมันครอบงําปัญหาทางไปไม่ได้เนื้อหาทางไปไม่ได้แล้วก็มีแต่หาทางทําลายตนเองไปโดยลาดับ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 โรคประเภทไหนยาคือธรรมโอสถของบระพพทธเจ้าก็มีหมอคือผู้นำยามาแนะนำสอนไมเแิ่คือเกดอาการก็ยังมีเราเชื่อจิเลสตัณหาก็เชื่อมาเป็นเวลานานได้รับผลประโยชน์อย่างใดหรือไม่ควรจะบวกลบคูณหารกันระหว่างยิเล็กกับธรรมซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวของเหล่านี้ด้วยดี แนวรีบเบ่งควนคนวายไปในแนวที่ตนเห็นว่าถูกต้องแน่นดำแล้วด้วยความอุตสาห์พยายามมีเป็นหลักที่ถูกต้องอเรียกว่าเป็นนัยยะเป็นผู้พอฉุดพอลากไปได้อาศัยอว่าคำสั่งสอนและครูว่าอาจารย์คนนักแนะนําตักเตือนเจ้าของก็จุด ก, ก็รากเจ้าของด้วยความภาคเทียมจากอุบายที่ได้รับการอบรมมาแล้วจากครูจากอาจารย์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 เพราะนั้นไม่มีความดีใดๆแม่น้อยที่จะแทรกเข้าไปถึงจิตใจดวงนั้นได้อันจะเรียกว่าปทะปารามะถ้าเป็นโรคก็ประเภทที่เข้าห้องไอซคอยแตล่ลมหายใจอยู่เท่านั้นจะเตรียมหีเตรียมลงก็เตรียมได้แล้วยังไงก็ไปไม่รอดนี่คนประเภทนี้แม้จะมีชีวิตอยู่สักร้อยปีพันปีมันก็เป็นประเภทไอซียูหาความดีจ ศุนทราเข้าภายในจิตใจเพราอจะเป็นสาระพยุงจิตใจเพื่อสืบต่อพบอันดีงามในตาข้างหน้าไม่มีเลยมีแต่ความอยียบย่ำทาลายตนให้ล่มจมลงไปสู่ความทุกข์ความลําบากความทรมานทิบหายปนปี่ไม่มีชิ้นดีตลอดไปสําหรับจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรื้อฟื้นตนเองให้ขึ้นจากลม ซึ่งก็มีอยู่แล้วภายในจิตใจแม้จะไม่ถึงขั้นประเภีที่พาเราให้เราให้ล่มจมก็าตามแต่ไม่ใช่คงดีแล้วชุดลากตนขึ้นจากหลมลึกเหล่านี้ให้โผล่ตัวขึ้นมาสู่อัตสุธรรมให้เคารพคําตั้งสอนของพระพทุทธเจ้าให้มีความจริงใจภายในใจทําอะไรให้มีความจริงใจมีความจดจ่อมีสติมีปัญญา คอยสอดจอมองดูควบคุมงานของตนที่ทำงานอะไรก็ตามเราได้เคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วไม่มีงานใดที่จะถึงฟ้าดินถล่มเหมือนกับงานค่ากิเลกรบกับยิเลกนี้เป็นงานที่หนักหนามากทีเดียวพระพุทธเจ้าเมาจจื่อแต่จะรู้ก็ปรากฏว่าโลกธาตุไหวแต่ว่ายังไงล่ำลือมาจนกมะทั่งทุกวันนี้ก็เพราะ งานชิ้นเอกของโป่งสำเร็จด้วล่วงลงไปที่เหล็กหมอบราบไม่มีที่เหล็กประเภทใดเหลืออยู่ภายในประเทศไทยแล้วก็แสดงความอัิจรรย์ขึ้นในใตยโลกกฐานดังธรรมจักรกับปวัฒนสุดท่านแสดงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความเคลื่อนไหวของเรา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 ที่จะพึ้งได้รับเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งมิมุดหลุดพ้นท่านก็แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องในหลักแห่งส่วขาตธรรมไม่เคลื่อนข้ามไปจากนี้เลยเราผู้ปฏิบัติเหมือนกับว่าล้างมือเปิดเท่านั้นก็ยังจะถือลำบากลำบนแล้วเราจะมีทางได้มักคผลนิพพานที่ไหนเป็นไปไม่ได้เคลื่อนออก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 ด้วยมาตั้งแต่เริ่มรับหมู่เพื่อนผมได้ทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกด้านทุกมุมไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งต้นทั้งตายถ้าแดงอย่างเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มทมเต็มสติกำลังความสามารถทุกแี่ทุกมุมเรียกว่าเปิดเผยเต็มที่ไม่มีการปิดบังลิขับแม้แต่น้อยไว้เลยกรุณาเห็นใจผู้อบรมสอน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 ขาสติแล้วแสดงความผิดพลาดขึ้นมามากน้อยตามความขาดสตินั่นแหละปัญญาคือความละเอียดถุกขุมที่จะรอบขอบในงานของตนทั้งภายนอกภายในทั้งสองอย่างนี้ควรนำมาใช้ยอยู่เสมออย่าได้ปล่อยวางและอย่าถือว่าไม่สําคัญงานชิ้นเอกจะรู้ล่วงไปได้จะพ้นจากสติปัญญานี้ซึ่งได้รับการดบรมให้มีกาลังขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นมหา สติมหาปัญญาฟาดปันหันแดดที่ละเอยดอย่างละเอียดให้มุดมอดไปจา ก, กจิตใจโดยไม่เหลือก็คือสติปัญญาประเภทเหล่านี้แหละไม่ใช่มาจากที่ไหนเพราะจึงหเห็นสําคัญเรื่องสติปัญญาเราได้ปฏิบัติมาแล้วเต็มสติกําลังความสามารถจรึงไม่มองเห็นอันใดทําใดที่จะยิ่งไปกว่าสติปัญญาสติปัญญาบรรดาทำฝ่ายเหตุเป็นเครื่องแก่ ความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอดต้องอดต้องผลเพศนี้เป็นเพศที่อดทนพระพุทธเจ้าภาอดภาทนมาแล้วจนได้ผลเพียนก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าจนได้ผลมาแล้วเช่นเดียวกันคำว่าสังขังสนังขฉ า, ามีของพวกเราก็ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนที่ล้างมือเปิ้อนี้แต่แทบล้มแทบตายมาด้วยกันทั้งนั้น นั่นละการฆ่ากิเลสจึงเป็นสิ่งที่ฆ่ายากเหนียวแน่นเหมือนหนึง่งนิทานจะเป็นปรมปรากก็ตามว่าฆ่ายักษ์นี้มันฆ่ายากนะเพว่า อ, อืยักษ์ก็หมายถึงปลาประธรรมนั่นเองพวกกิเลสมานนี้นเองอการฆ่าก็หมายถึงฝ่ายธรรมเครื่องมือความเพียรออกไปจากธรรม ระหว่างทมกับพิเรนั้นเป็นค่าศึกกันมาแต่การไหนไห น, ไหนผู้ต่อสู้กับพิเลนจึงเหมือนกันกันกบโรคโรบกับยักษ์ยักษ์กินคนกินทั้งโลกกระฐานนี่ยืนลงไปแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดบังคับให้โรคให้โกรธให้หลงให้เป็นไปในแง่ต่างๆไม่น่าดูแบบจตเจริจฉานมันก็พาให้เป็นมันมีอยู่ทุกหัวใจของสัตว เรื่องยากตัวนี้เพราะฉะนั้นเราที่รู้ภาษีภาษากับเรื่องยิเล็กประเภทเหล่านี้พอสมควรแล้วจึงไม่ควรที่จะให้มันมานอนขับกล่อมบำรุงบำเรออยู่ภายในจิตใจอย่างเพลิดเพลินต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยาได้ลดละเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับ นับแต่ความสงาา่าผ่าเผยองอาจกระหารของจิตความผ่องใสไปเป็นลำดับลำดาเปลี่ยงสภาพไป ต, ตามภูมิอัดภูมิทำเพราะเหล่านี้เป็นอาการจนกระทั่งถึงยิมูตหลุดพ้นจึงหาความเปลี่ยนแปลงใดๆอีกไม่ได้มั น, นาอาการของจิตไม่มีนยิมูตติกิจนั้นอาการก็เป็นแย่อาการของขันเฉยๆอาการที่จะเปลี่ยนแปลงให้มีเศร้ามีใส มีเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกนั้นไม่มีเมื่อถึงขั้นจิตที่เต็มภูมิของจิตล้วนๆแล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนกับน้าโดยหลักธรรมชาติของน้านี่ไม่มีสีมอง ด, ดูไม่มีหากจะทราบว่าสีแดงสีขาวสีอะไรก็ตามต้องพาดพิงกับสิ่งต่างๆเป็นพาดพิงกับใบไม้ ก, ก็กลายเป็นสีเขียวพาดพิงกับสิขาวก็กลายเป็นขาวเช่นน เทชนเห็นแก้วแก้วเป็นประเภทใดสีใดน้ํำกับกาเป็นสีนั้นขึ้นมาในจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วจึงจึงไม่ปรากฏสีสันวัตนาใดๆทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์พูดไม่ถูกแต่รู้อยู่อย่างจังๆภายในจิตใจหาสงสัยไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละการสู้กับกิเลสให้พึงพากรทราบเอาไว้เสมอยา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 เรื่องอนิจจังทุกข์องอนัตตาเต็มตัวข้องมันเมื่อมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็กลายเป็นตัวอนิจจังทุกข์งอนัตตาผัวพันไปกับสิ่งเห น, นั้นจึงดนแล้วจึงเกิดเป็นการสั่งสมทุกข์ขึ้นมาแก่ตนทั้งนั้นแม้สิ่งนั้นเขาจะเป็นอนิจจังทุกข์งอนัตาตาตามสภาพของเขาเขาก็ได้รับผลคือความทุกข์ความทรมานเหมือนอ น, อนิจจังทุกข์งอนัตตาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งเหล่า น, นั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที <c oughs> ่พากันกําจัด ภาใน จ, ใจิตใจเอาให้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เอกแท้ๆไม่มีใครเทียมสองและในโลกกรถาดนี้ธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมที่เต็มอัดเต็มธรรมต็ภูมิเต็มฐานตั้งแต่ตนจนอวาสานสูงสุดคือวิมุขภนิภาพานไม่มีใครเสมอนี่แหละเป็นจุดที่จะให้ความสมหวังแก่พวกเราคือจุดนี้นอกกนั้นเราไม่ได้ประมาทเราพูดตามหลักความจริงของธรรม มหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นี่แต่สิ่งที่จะพังทลายไปด้วยกันทั้งนั้นภูเขาทั้งลูกก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่พังทลายได้อย่างไรดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ว่าอันใดอยู่ในใต้อำนาจของนิจจทุกขังอนัตตาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและพังทลายไปได้เช่นเดียวกันหมดหาที่เกาะที่ยึดพอเป็นที่ไว้วางใจมีความล่ม ย็นภายใจิตใจไม่ได้ชัว่วจีรังท้าววรอะไรเลยเหมือนธรรมแต่ธรรมนี้เวลานี้มีกิเลสเป็นเจ้าของภายจิตใจดวงเดียวนี้ซึ่งจะเป็นธรรมทั้งดวงก็คือจิตดวงนี้แต่เวลานี้มีแต่กิเลสมันครอบเป็นเจ้าของไว้รอบด้านพอจะเดินจงกรมนี่มันก็ถูกมันเตะเออกจากทางจงกรมจะนั่งสมาธิก็ถูกมันเตะลงไปใส่หมอนจะอยู่ในท่าใดก็ถูกมันเตะให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 ที่จะสอดสองมองทะลุเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภานาจิตใจ <c oughs> ราคาเกิดขึ้นมันทำให้คนดิ้นรนกรวายโกรกวายสาัตว์ตัวใดก็ตามเมื่อราคากำเนิบมันดิ้นรนโกรธกระ ว, วายกวดแก่งอยู่ไม่ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งเพศหญิงเพศชายมนุษย์และสัตว์เป็นเหมือนกันถ้าอยู่เฉยๆเช่นอย่างเราหลับสนิราคาก็ไม่มีก็ไม่แสดงตัวโทสะก็ไม่แสดงตัว ความโลภ ก, ก็ไม่แสดงตัวโมหะก็ไม่แสดงตัวเวลานั้นสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเต็มที่ก็คือเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกจากนั้นหาความสุขไม่ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เองออกเพ่งถ่ายทำงานของตัวเองหเราเห็นอย่างนี้ถ้ายังมองไม่เห็นที่ไหนให้เอาเวลาหลับสนิทมาเทียบกับเวลาตื่นขึ้นมานี้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 เป็นกิริยาท่าทางต่างๆแสดงความโลภแสดงความโกรธแสดงความหลงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันอยู่ฉากหลังไม่ให้เห็นตัวแหละเห็นแต่ความหยาบโลนของปู่นั้นแหล ะ, ะแสดงอยู่อย่างนั้นนี่นี่แหลมันแหลมคมอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความเพียรพยายามเอาให้เต็มเม็ดเป็นหน่วยเราสลักชีวิตแล้วเพื่อศาสนธรรมจึงจะย้ายังตนให้พ้นจากทุกข์ ไม่มีการร่มโจมการประกอบความภาคเพียนไม่ว่าจะวิธีการใดอิเดีบดยบทใดเป็นสิ่งที่จะปลดเครื่องที่เดืออาสวัทั้งนั้นถ้าดำเนินตามหลักทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยทีก่าวว่ายักษ์ต่อสู้กันที่ตมาไว้ในนิทานยักษ์จะเป็นป ร, รำปะระหรือว่าเป็น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 เพราะสู้ที่เดชไมาได้ถูกมันตําหนักปราบปรามเอาเรียบไปเลยราบไปเลยนี่เราไม่ต้องการอย่างนั้นจึงต้องตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับที่เดชซึ่งเป็นผู้ก่อความทุกข์ไว้ภายในจิตใจของเราไม่มีการบกพร่องมีอยู่ตลอดเวลาเริ่มความทุกข์ของใจเมื่อสมุทยัยยังมีอยู่ภายในใจแล้วจะต้องผิดอยู่ตลอดไปมีมากมีน้อยละเอียดขนาดไหนมันก็ผลิบของมันขึ้นมาในเรื่องความทุกข์ที่จะเป็นเงาตามตัวแยกไม่ออก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่ต้องแก้ไขยแยกแยะห้าตัวเหตุคือสมุทยัยคำว่ากามะตัญหากามก็คือความใคร่ความชอบใจชอบใจสิ่งใดมันก็เป็นเรียกว่ากามะกามะแปลว่าความใคร่ความชอบใจวัตถุสิ่งของเงินทองนามธรรมาก็ตามรูปธรรมก็ตามมันเป็นเรื่องกามกิเลสทั้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่เราจะต้องแก้ไขถอดถอนด้วยอุบายวิธีการของเราอันแยบขายเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่ทันกิเลสนั่งภาวนาก็ให้มีสติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่เฉพาะหน้าที่ของตนอย่าเอาเรื่องกิดใดการใดเข้าไปกันนงวลภาณกนจใจขนาดนั้น ทำหน้าที่ในวงปัจจุบันอย่าไปคาดเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะเป็นขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้คาดไปก็เสียเวลาเรียกว่าพลาดจากงานนั้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดจะเดินจงกรมก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมของตนนั่งก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมเช่นกำหนดพุดโทโธก็ให้รู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธเรามีงานอันเดียวนี้เท่านั้น ไม่มีงานอื่นใดที่เราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายนอกจากงานความเพียรนี้เพื่อแก้ที่เด็ดตัญหาอาชีวะทุกประเภทไม่มีงานอื่นใดที่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มีงานนี้เท่านั้นเอาตรงนี้อยู่ไหนให้มีสติที่จะตั้งรากตั้งฐานความสงบเบื้องต้นนี้ลําบากอยู่มากพอสมควร ถ้าได้พื้นฐานนี้แล้วก็เหมือนกับเราค้าขายมีกําไรมีต้นทุนเราก็พอบึกพอบืนพอถูถ่ายกันไปได้แต่สําคัญที่ค้าขายไม่มีทุนนี่สิมันลําบากพยายามให้มีต้นทุนจิตเป็นสิ่งที่อบลมให้หายพยศได้โดยลําดับตามปกติของจิตมีความฟุ้งซ่านลาคาญยุญ่ยแย่ก่อควรจากถูกยุ่ยแย่ก่อควรจากที่เหลืออยู่เสมอไม่มีเวลายับยั้งตั้งตัวได้เลย นี่เป็นเนืส้สายของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีกิเลสเป็นเป็นนายต้องเป็นหนังนั้นแต่นี่เราจะเอาทมเข้าไปบังคับจิตขับไลก่กิเลสผู้เคยบังคับบัญชาจิตใจแต่ก่อนนั้นให้สลายตัวลงไปเบื้องต้นต้องเอาใช้ความสงบซะก่อนทำความสงบด้วยบทภาวนา จดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมีสติอยู่กับบทธรรมนั้นๆอย่าให้เผลออย่าคิดอยค า, าดอยหมายอดีตอนาคตผลที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิจะเป็นประเภทใดบ้างอย่าประคาดไปหมายให้คาดเคลื่อนจากงานที่เรากำลังทำในปัจจุบันคือคำบริกรรมภาวนาผู้กาหนดอนาปานาาสติก็ให้รู้แต่ลมเข้าลมออกสูงต่ำข้างไม่สาคัญ สำคัญที่ความรู้ความสัมผัสของลมเข้าลมออกรู้กันอยู่ทุกระยะระยะจะสูงจะต่ำจะที่ไหนอย่าระเอียดให้กําหนดรู้ตามนั้นเท่านั้นแล้วอย่าไปคาดไปหมายไปตั้งลมบ่อยๆไม่ถูกบางทีก็ทีแรกก็ตั้งลมเช่นตั้งที่ดั้งจมูกเพราะลมสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเคลื่อนตั้งที่นั่นคัดตั้งที่นั่นพอ กำหนดเพลินไปเพลินไปเหมือนว่าดั้งจมูกนี่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปโน้นก็มีบางทีเหมือนดั้งจมูกนี้ต่าลงไปมาตั้งใหม่กําหนดใหม่อย่างนี้เหมือนเขาปลูกต้นไม้พอจะขึ้นบ้างแล้วก็ปปกแปขุดมาปลูกใหม่แล้วก็ขุดมาปลูกใหม่ย้ายอยู่ยไม่หยุดไม่ถอยสุดท้ายต้นไม้ก็ตายไม่เกิดผลประโยชน์ใดเลยปลูกวิธีตรงไหนตนได้ตั้งได้ปลูกลงแล้วด้วยความชอบด้วยความถูกต้องแล้วพยายามรดน้ําทวนดินอยู่ในจุดนั้น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 ช่องจมูกนี่มันกว้างออกไปเวิง้งว้างไปหมดอันนั้นก็มียาไปสนใจให้กําหนดดูลมจับเอาที่ลมนั้นอันนั้นเป็นอาการหนึ่งที่จะหลอกเราให้เผลอหลับไปเท่านั้นให้พักกันจำเอาไว้จับลมไม่หยุดไม่ถอยจริงตรนั้นมันก็ค่อยคลายตัวของมันไปเองค่อยเสื่อมไปคลายไปคลา ย, ลายไปจางไปจางไปจุดท้ายก็เหลือแต่ลมเหลือแต่ลมกำหนดตลมจนละเอียดเข้าไปเไปอารมลมจะหมดจริงก็ให้หมด อยาไปตกใจจะไปตัวตายเมื่อจิตยังครองล่างอยู่นี่แล้วลมจะหมดไปมันก็ไม่ตาย<ม>กาหนดเมื่อลมหมดไปจริงๆไม่มีอะไรเหลือความรู้มันเหลืออยู่นั่นแหละทีน่นี่เมื่อจิจลมละเอียดลงไปก็แสดงว่าเจตละเอียดลมหมดไปในความรู้สึกจริงๆมันไม่ได้ถึงจะหมดไปก็ตามให้ทราบว่าลมที่กําหนดนั้นหมดไปแต่ความรู้ที่เป็นตัวการสาคัญที่เราต้องการ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 ไม่ว่าภายนอกภายในพิจารณาให้เป็นอรูปะอสุปภังเป็นจังทุกขังตาหรือเป็นธาตเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอยู่แล้วทั้งนั้นอรูปะอสุป ภ, ภังมันก็อรูปะจริงจริงมันมีที่ไหนเป็นที่สะอาดสะอา้านภายในจิตร่างกายของเหล่านี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นผิวบางๆของหนังหุ้มห่อไว้จึ่งหน้าว่าน่าดูอืชมกันเสกสรรกันว่าน่าดูหน้าชมมาก สวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจความจริงรักหนังหนังรองเท้าเจ้าของก็มีไม่เห็นน่ารักหนังนั้นมันน่ารักที่ตรงไหนหนังเขากับหนังเราก็เหมือนผิดกันอะไรน่ารักที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาแยกแยะพิจารณาเข้าไปข้างในก็เต็มไปด้วยของปฏิคูลโสโครกเต็มไปหมดหน้าขย ะ, ะแฉ่งแล้วน่ารักใคร่ชอบใจที่ไหนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ําๆสากๆแยกแยะออก จนกระทั่งถึงมันแตกกระจายหรือกําหนดให้ตายมันเน่าพองอืเปื่อยลงไปน้ําเน่าน้ําหนองไหลเกลื่อนไปตามพื้นปรฏาปีจิตใจมันได้ดูเห็นโทษความเป็นของร่างกายท่านเจนนี่ก็เป็นอุบายหองความสงบของราคะได้เป็นอย่างดีการพิจารณาต้องพิจารณาทาําซ้ำซากๆเป็นอาจินของการพิจารณาเป็นพื้นเป็นฐานอยู่เสมอเป็นงานประจําตนในเมื่อ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 นี่พิจารณาให้เห็นตามความจริงนี่คือธรรมเป็นความจริงอย่างนี้ค้านไม่ได้แต่กิเลสมันเสกสรรตั้นย่อขึ้นมาใหม่ปลอมแปลงขึ้นมาใหม่ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจอืเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเหม่เพราะฉะนั้นมันจริงได้ทั้งสองแง่ยดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทําให้เศร้าโศกเสียดาย ไปได้เพราะสิ่งที่น่าเพลิดเพลินนี้พักพลาดจากไปหรือนิพพลดผิดไปจากความต้องการอันเดิมเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งหมดให้พิจารณาอย่างนี้แลสลับกันไปเวลามีโอกาสให้พิจารณาการถอดถอนกิเลสทุกๆุกกประเภทให้พึงทราบว่าถอดถอนด้วยปัญญานี่เท่านั้นการทําความสงบ นั่นเป็นการตะล่อมนิเรศเข้ามาสู่จุดรวมเปิอใจก็จได้สงบสบายแล้วมีกําลังวังชาที่จะออกพินิพิจนาทางด้านปัญญาเมื่อได้ก้าออกทางด้านปัญญาพินิพิจนาอาการต่างๆของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้วเราจะเห็นความดุริอยของกิเลสเพราะอานาจของปัญญาไปโดยลําดั บ, ดบนั่นแหละที่นี่ถึงจะได้เพลินนี่หากพูดถึงว่า ค้าก็าก็ได้กําไรก็ไปเดินลำดับพื้นฐานต้นทุนของเราก็คือสมาธิได้แก่ความสงบกําไรก็คือเรื่องของปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆข้าทีเ่เดชขาดลงไปโดยลําดับดารู้ประจักษ์ชัดกับใจไม่เหมือนสมาธิสมาธิเป็นตัวเปนมรวมกิเลสกัความพุ่งซ่านของใจที่จะเป็นไปเพื่อกิเลสนั้นตุรวมตัวเข้ามาไม่ไปสั่งสมกิเลสเพราะความพุ่งซ่านนั้นพอกิเลสสงบลงไป ได้กำลังแล้วพาพินิจพิจารณาแยกแยแยกตรงไหนแยะตรงไหนปิดให้โจดให้จ่อต่อเนื่องไปโดยลำดับจนเกิดความโศ ด, ดสังเวชน้ำตาล่วงนั่นพิจารณาให้เห็นโทษจริงๆมันเห็นจริงๆเป็นจริงเราเคยพิจารณามาแล้วจนถึงกับขึ้นอุทานโอ้โหอย่างนี้เหรือเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรือ เป็นอย่างนี้เถอเหรอือเห็นกายเห็นนี้แต่ก้อนก็อยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดทําไมจึงไม่เห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอเห็นกายเห็นความปฏิคูลตามความจริงของมันซึ่งมีอยู่ในกายเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอือวันนี้เหรอกําหนดดูเท่าไรยิ่งเกิดความโศ ด, ดสังเวชไปโดยลําดับลํำดับลำดับทั้งๆที่ตอนพิจารณากายอย่างเพลินๆอยู่นั่นอะ่ะเหมือนว่ากายไม่มีมันความรู้สึกมันไปอยู่กับอาการที่เราพิจารณานั้น แม้เช่นั้นน้ําตามมันกระล่วงของมันตามภาษางเราเขาไม่สนใจกับมันมีแต่พิจารณาจี้เข้าไปจี้เข้าไปจนทะลุปูโขลงโล่งไปหมดเ <c oughs> นี่เป็นอุบายของสติปัญญาพิจารณาอย่างนี้การพิจารณาด้านปัญญาด้านนี้รุนแรงไปโดยลําดับลําดับแต่ขั้นราคะลงมานี้เป็นขั้นของปัญญาที่รุนแรงมากแต่มันรุนแรงด้วยความอาจฐานนี่ยิ่งเรียกว่ามันผาดโผน ความอาถรรพ์มากทีเดียวเพราะผ่านขั้นร่างกายเป็นรูปธรรมนี่ไปแล้วก็เหมือนกับน้ำซับน้ำสึนหลายดินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่หยุดนันเป็นปัญญาขั้นละเอียดเพราะกิเลสมันละเอียดเข้าไปมีตนามธรรมาเวทนาสัญญา้งยาสังขานนิยามทั้งสุขทั้งทุกข์เฉยมันมีอยู่ภายในร่างกายและเข้าไปสู่จิตใจมันแยกมันแยะ ทั้งภายนอกคือร่างกายทั้งภายในคือจิตใจเวทนาอยู่ได้ทั้งสองประเภทพิจณาอยกแยกส่วนมากกับพิจนาเวทนาส่วนร่างกายเนี่ยมันก็เข้าไปถึงตัวใจเองเพราะมันออกมาจากใจเนี่ยจะไปไหนพ้นเมื่อนละเอียดละออเข้าไปแล้วอะไรมันก็เป็นธรรมไปหมดเนีร่างกายก็สักแต่ว่าเท่านั้ น, นเมื่อเราไม่สืสารบั้นยอเพราะอำ น, นาจของกิเลส เนื่องจากทำปราบลงสู่ความจริงแล้วถ้าพูดถึงอาุพะมันก็อสุพะพูดถึงเรื่องเป็นธาตุมันก็เป็นธาตุโดยตัวมันแล้วนั่นคือทำปราบความเสกสรปัญญานี่ให้ลงสู่สาภาพเดิมสภาพแห่งความจริงของตนถึงสักแต่ว่าสักแต่ว่าพอไปถึงสุขทุกเวทนาเฉยๆก็ตามมันก็สักแต่ว่าอันเดียวกันชาดลงไปความคิดความปรุงกหาเราหาเขาที่ไหนมีมิตรความ กระเพื่อมของกิจยับยับยับยออกไปเป็นเรื่องความคิดความปรุงสัญญาเราคือความซื้ซื้อออกไปจากกิจว่าถ้าพออกไปเห็นยาณเราก็ทราบกันอยู่แล้วเที่ยงรับทราบถึงนั้นทีนี้แล้วดับไปดับไปความเกิดดับนั้นหรือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นตัวนิจจังทุกขังหาตาทั้งห้านี้เป็นเหมือนกันรูปก็เหมือนกันเมตนาสัญญาสังขารเห็นยาณแต่ละประเภทเป็นตัวนิจจังทุกขังตามันเป็นตัวเราตัว ของเราที่ตรงไหนพิฆาตหาความจริงจริงมันไม่มีมันศักแต่ว่าศักแต่ว่านี่เลยคือความจริงนะย่ <c oughs> นเข้าไปย่นเข้าไปพิเดตะหาอาสมะที่มันเคยเกาะเคยเกี่ยวอยู่สิ่งกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเคยหลอกลวงละมานานมัญหาที่อยู่ไม่ได้เพราะถูกตัดถูกฟันหันแหลกเข้าไปด้วยอํานาจของสติปัญญามันก็ไหลตัวเข้าไปร่วมตัวเข้าไปเข้าไปถึงจิตก็ไล่ที่จิตนั้นอีกให้แหลกละเอียดไปตามๆกัน ขึ้นชื่ว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดมันก็คือตัวนิจังทุกขังตาเป็นตัวสมมุติเหมือนกันกับกิเลสประเภททั่วไปเนี่ะยะขนาดไหนก็คือตัวสมมุติตัวทักข์มุดก็ต้องมีอ น, นิจังทุกขังตาเต็มตัวเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้วาดฟันทันแหลกเข้าไปภายในจิต แ, แต่กระจายหมดนั้นแล้วนั่นแหละแคน่นี้ตัวยืนยงว่าวเกิดแากเจ็บตาย ก็คือเชื้อของอวิชาเป็นต้นเหตุอวิชานี้ได้สิ้นจุดลงไปแล้วจากจิดตดวงนั้นนั่นแลจิดตดวงนั้นแหลเป็นธรรมทั้งดวงจิต น, นั่นแหละที่เราคน้นค้นหาความจริงค้นให้เจอเรื่องเกิดแก่เจิดตายจะไม่เจอที่ไหนจะเจอที่จิตเป็นตัวการพาให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายที่จิตนั้นมีอะไรก็คือมีอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาบนั่นแหละตัวก่อต่อแขนงไปเดยลำดับ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 ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาเหมาะสมกับคาว่ามัติมัติมาคือเป็นปัจจุบันทันสมัยกับกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาขอให้นำม า, าพึปปติบัติความที่ได้ยินได้ฟังอย่างได้ฟังวันนี้จะปรากฏภายใ จ, จิตใจของนักปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยถ้าเอาจริงเอาจังมันไม่ตายแล้วเรื่องประกอบความเพียรฆ่ากิเลสนี้เป็นแต่เพียงความลำบากลำบนมากน้อยเท่านั้น แต่เรื่องตายจริงๆนั้นคือกิเลสมันตายเรานี่ยไม่ตายแหละตายด้วยความเพียรกิเลสนั้นเป็นผู้จะตายแต่เรามันกลัวตายใชก่อนหนึ่ที่มันถึงไม่สามารถจะฟาดปันอันหนักกิเลสพอให้ถลอกปอกเปิืกไปบ้างหรือให้ถึงขั้นกิเลสตายเพราะฉะนั้นจริงเอาให้ถึงขั้นกิเลสตายอย่าเอาถึงขั้นกิเลสะลอกปอกเปลือกเฉยใช่ไหมหนเอาให้กิเลสตายเมื่อกิเลสตายแล้วไม่มีละ ในโลกอันนี้ว่าอันใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อจิตใจมีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกของใจรู้ได้ชัดเมื่อกิเลสดับพบดับชาติลงไปจนหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยเหยียก่อกวนให้จิตได้รับความลําบากอย่างนั้นลํำความลําบากอย่างนี้อีกต่อไปจึงเห็นได้ชัดว่าโอ้มันมีกิเลสที่เท่านั้น สามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากกิเลสอยู่ในหัวใจตัวเองนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเมื่อกิเลสจิ้นลงไปแล้วเป็นอันมหาสงสัยะดูก็อยู่ตายก็ตายไม่มีปัญหาทั้งเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะเลยพิจารณารอบข้อไปหมดแล้วตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือหลอมันขอให้ทุกท่านนำไปพินิจพิจารณาตั้งศรัทธาความเพียรความมุ่งมั่น ตอกชัยชนะในการปราบปรามกิเลสให้ถึงใจความเพียรจะถึงใจสติปัญญาไม่มีก็จะเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญมากเป็นแม่เหล็กอันสำคัญดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความเพียรทุก ป, ประเภทสติปัญญาก็เป็นมาเป็นมาเพราะความมุ่งมั่นอย่าไปลังเลสงสัยในเรื่องมรรคผลนิพพาน ให้เสียเปล่าเวลาและตัดทอนกําลังวังชาของตนทุกด้านอันเป็นทางความเพียรให้หมดลงไปหมดลงไปผลยุดท้ายล้มเหลวไปไม่ได้มันเกิดประโยชน์อะไรความไปไม่ได้ถอยหลังเสียเกิดประโยชน์หรือการถอยหลังให้คิดอย่างนี้เสมออุบาสติปัญญาที่จะให้ทันกับกลยาทธของกิเลสที่มันหลอกเราอยู่ทุกระยะนี้ฟิตให้ทันกันจึงชื่อว่าผู้มหาความเฉลียวฉลาดจากหลับทำ ในการลบค่าสูบให้เราเป็นผู้หนึ่งในการลบค่าสูบกิเลสตายไปจากจิตใจเราให้เราเป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องกิเลสมันตายาเรื่องพบรองชาติเคยเกิดแก่ตายมากี่กับกี่การนับไม่ถ้วนก็ให้เราเป็นผู้หนึ่งรู้ในวงปัจจุบันของจิตขาดสะบ้านจากกันแล้วกับพบกับชาติปัจนี้ไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรกันอีกแล้วเพราะจิตนี้บริสุทธิ์ส่วนแล้วกิเลสเอื้องไม่ถึงไม่มีกิเลสตัวใดแล้วใหาให้มันเห็นในหัวใจของนักปฏิบัติอย่าไปคาดไป คิดทั้งหลายให้เสียเวลาไม่หลาการจะดงารรมของไมสมควรคุณิติทนปัญญาอธิบายให้พูดกั